สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญข อ, อนําเสนอเกี่ยวกับเสือร้ายที่ติดกับชายแดนประเทศเขมรเส้นทางแสนจะลําบากลําเค็นในทุกๆฤดูเป็นเวรกรรมของผู้ใช้ถนนเส้นนี้หมู่บ้านมาแวงตั้งอยู่กลางตงไม้อันหนาแน่นไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้ริเริ่มในการมาลุงหลักบักฐาน ถึงแม้นจะเป็นกลางดงลึกแต่ก็มีผู้คนอาศัยอยู่เกือบห้าสิบหลังคาเรือนอาจจะเป็นเพราะดินค่อนข้างต่ำน้ำค่อนข้างชุม่มจากต้นน้ำหลายๆสายของทิวเขาตลอดชายแดนก่อนจะเข้าพันษาประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนฝนจะมาชาวบ้านมาแหวง ได้มีโอกาสต้อนรับพระพิสุกสงฆ์สูงอายุราวหกสิบเศษเศษท่านในทุดงผ่านมาท่านพารถว่าเขา้าพรรษาปีนี้อาตามาประสงค์จะจำวัดที่หมู่บ้านมาแว่งแห่งนี้พุทธบริษัทต่างปรีดาปลาโมดเป็นยิ่งนักจึงพร้อมใจกันสร้างกุฏิขึ้นหนึ่งหลังเลือกสถานที่ริมแม่น้าเพราะเห็นวิเวกดี ชาวบ้านมาแหวงมีอุปนิสัยชอบในการทำบุญถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านที่ยากจนแต่ทุกคนก็มีศีลมีธรรมรักไข่กลมเกลียวกันดีจึงทำให้หลวงพ่อพระธุดงได้พำนักอย่างสบายใจในภรรษาชาวบ้านได้อยู่เย็นเป็นสุขกันมา จนกระทั่งผ่านมาถึงเดือนสุดท้ายก่อนออกพรรษาข้าวในานาตั้งรวงอากาศเย็นเริ่มโชยมาท้องฟ้าที่เคยมืดมิดพราะเมฆฝนหายไปมีแต่ปุยฝ้ายเข้ามาแทนที่ท้องฟ้าสีเงินตัดเมฆงามตายิ่งนักแต่น้ำในห้วยเริ่มขาดแคลน แล้วข่าวร้ายก็ได้กระจายกันทั่วหมู่บ้านหมูแม่พันธ์ที่มีอยู่ตัวเดียวของนายมิ่งที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านได้หายไปในตอนกลางคืนนายพลานชี้ชัดบอกว่าเสือมาคาบเอาไปกินเพราะบริเวณรอบบ้านมีรอยเท้าเสือเกลื่อนไปหมดตั้งแต่นั้นมาวัวควาย ก็ทยอยหายไปเรื่อยๆแม้แต่สัตว์เล็กอย่างเป็ดไก่ก็พลอยหายไปด้วยเป็นที่หวดาดผวาของชาวบ้านมาแว้งใครมีวัวมีควายต่างก็นำมาผูกรวมกันไว้ข อ, อกลางหมู่บ้านและได้ก่อไฟเปลี่ยนเวรยามกันอย่างหนานแน่นพอค่าหน่อยต่างก็ปิดประตูหน้าต่างกันเงียบไม่ได้ยินเสียงแม้แต่เด็กที่ร้องไห้ เพราะกลัวเสือมันจะมาคาบเอาไปกินใครจะมีธุระกลางค่ำกลางคืนหากมาก็จะไม่เปิดประตูรับเป็นนันขาดถ้ามีปวดท้องก็กลั้นเอากั้นไม่อยู่ก็จะต้องมีคนมาคุมไม่น้อยกว่า3 6คนยืนคุมด้วยอาวุธปืนที่มีส่วนมากจะไม่มีใครกล้าลงจากบ้านกันเลยแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวัน ที่ชาวบ้านมาแหวงต้องสยองขวัญเพราะเสือได้คาบหมูของนายอินนางจันสองสามีภรยาเอาไปกินหมาเลี้ยงไว้หลายตัวแต่ละตัวล้วนแต่ดุดุเห่าเก่งวันที่เกิดเหตุต่างไม่มีตัวไหนเลยที่จะส่งเสียงมาเตือนพวกมันมัวแต่ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนกันพลานคง ได้นำชายหนุ่มชะกันออกตามรอยเท้าเสือก็อพบเศษซากของหมูเกลื่อนกลาดไปเป็นทางอีกหนึ่งอาทิตย์จะออกพรรษาหัวหน้าชาวบ้านเรียกลูกบ้านมาประชุมกันถึงเรื่องงานบุญปีนี้จะเอาอย่างไรกันดีเพราะได้มีเสือเข้ามาในหมู่บ้านและได้มีผู้กล้าหาร 4-6 ถึงคนอาสาออกไปจัดการกับเสือร้าย โดยในพลานคงเป็นหัวหน้าพลานคงให้ในายวินเป็นคนเอาหมูออกไปผูกล่อเสือตรงกลางทุ่งและพวกข้างพลานคงก็ทำคัดห้างที่ต้นไม้ใหญ่คอยจ้องมองว่าเสือมันจะประคาบเอาหมูที่ผูกไว้เมื่อไหรเสือมันก็รู้ตัวไม่ยอมโผลออกมาให้เห็นคืนที่สองก็แล้ว จนกระทั่งคืนที่สาดวงจันทร์ขึ้นแปดค่ำแสงจากดวงจันทร์สว่างจ้าลมเย็นๆเริ่มโรยตัวลงมาแต่เหล่านายพลานคงยังคงถือปืนจ้องไปที่หมูที่ผูกเอาไว้เสียงจิ้งหรีดที่พากันร้องจ้าจนแสบแก้วหูพลันพลาพร้อมใจกันหยุดร้องเงียบกริบแม้แต่ลมก็พลอยจะหยุดไปด้วย ลมโจยมาอีกครั้งคราวนี้ได้กลิ่นสาบและร่างของเสือก็ปรากฏขึ้นหมูที่ผูกไว้มันรู้ว่าภัยได้มาถึงตัวมันแล้วมันดิ้นรนอย่างสุดชีวิตเพื่อให้เชือกที่ผูกมัดไว้กับตอไม้หลุดออกแต่ก็ไม่พ้นจากกรงเล็บของเจ้าลายพลาดก่อนไปได้นายพลานคงถึงกับพงังหะ เพราะเสือตัวใหญ่ไม่เคยเห็นมาก่อนพอตั้งสติได้จึงยกปืนแก๊บเล็งและวาดกระบอกปืนไปที่ร่างของเสือเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวทุกคนเห็นชัดๆว่าเสือกระเด็นกระดอนไปตามแรงของปืนแต่รายนั้นมันลุกขึ้นยืนสะบัดขนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และก็ได้คาบเอาเหยื่อแล้วเดินหายลับไปต่อหน้าต่อตาในพลานคงทุกคนตะลึงอาปากค้างรุ่งเช้าทุกคนออกตามรอยเสือไปไม่มีแม้แต่รอยเลือดของเสือคงมีแต่เลือดของเหยื่อเท่านั้นเป็นปืนของนายพลานคงทาอะไรมันไม่ได้เลยเหรอข่าวเสือร้ายบุกเข้าไปคาบสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน นายอำเภอและตำรวจได้ออกมาช่วยไล่ล่าเสือแต่ไม่มีวี่แววของเสือมาให้เห็นเลยจนกระทั่งออกพรรษาทุกคนลงความเห็นว่ามันคงเพ่นไปไกลแล้วไม่มาในหมู่บ้านนี้อีกแล้วต่างคนก็ดีใจที่จะได้ไม่ต้องขวัญหนีดีฟอกันอีกแล้วต่างประกอบอาชีพกันตามปกติ หลังจากออกพรรษาไปได้สามวันลูกสาวของพลานคงเอาขนมไปให้ยายที่บ้านท้ายทุ่งก็ถูกเสือคาบเอาไปกินร่องรอยเสือแทะจนเหลือแต่กระดูกตับไตไส้พุงหายเกลี้ยงมันต้องเป็นเสือตัวเดียวกับตัวเดิมนั่นเองชาวบ้านมาแหวงต้องขวัญเสียกันอยู่อย่างหวาดผวาอีกครั้งและไม่กี่วันถัดมา มีเด็กถูกเสือคาบเอาไปกินเป็ดไก่วัวควายก็เริ่มหายไปในที่สุดพวกชาวบ้านก็พยบหนีเสือกันจนเกือบหมดหมู่บ้านพากันทิ้งข้าวในนาที่กำลังออกรวงเหลืองอรามท่ามกลางความเงียบและน่ากลัวได้มีเกวียนเทียมวัวบรรทุกขายสินค้าพาสองสามีภรรยาวาัยชรา ผ่านมาพบกับชาวบ้านชุดสุดท้ายที่เตรียมอพยพลูกเมียออกจากหมู่บ้านพอชายชาราเห็นดังนั้นจึงได้ถามไถยได้ความมาว่าเสือร้ายได้มาก่อกวนจนเหลือทนแล้วพอเ ท, ทั้งสองก็เหมือนกันต้องรีบออกจากหมู่บ้านนี้ก่อนมืดค่ําเดี๋ยวจะไม่ทันการชายชาราได้ฟังแล้วก็พูดขึ้นว่า นี่ก็เย็นเห็นจะไม่ทันแล้วเลยได้ขอร้องขอให้คนอยู่แต่ในที่พักหากว่าคืนนี้มีเสียงอึกทึกครึกโครมอะไรห้ามออกมาดูและส่งเสียงเป็นนันขาดยายได้ไปชวนพวกผู้หญิงมาทำอาหารเย็นไว้กินกันก่อนที่จะมืดฝ่ายตาก็ได้เข้าไปทำวิธีในเกวียนคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง แสงจันได้ศาส่องให้เห็นอะไรในตอนกลางคืนได้เหมือนกับกลางวันเวลาผ่านไปเลยเที่ยงคืนลูกเด็กเล็กแดงได้นอนหลับกันหมดแล้วยังคงมีแต่พวกผู้ใหญ่ที่คอยเงี่ยหูฟังว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นและทุกคนต่างก็สะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงหายใจฟืดฟาด เหมือนเสียงวัวควายชนกันกลางแสงจันทร์นั้นควายสีดําเป็นมันล่ําพีสองตัวกําลังต่อสู้กับเสือขนาดมหาือมาควายตัวหนึ่งนั้นถูกแรงตบจากเสือกระเด็นกระโดนไปแต่ควายอีกตัวกระโจนเข้าขวิดทันทีเมื่อเสืองับคอควายที่กระเด็น นอกจากจะไม่รแค่ราคายหนังควายแล้วเสือยังถูกแรงสะบัดหลุดกระเด็นแถมถูกซ้ำด้วยการควิดของควายอีกตัวด้านหลังในที่สุดเสือพยายามหนีเพราะควายสองตัวรุมเสืออย่างไม่ให้ตั้งตัวติดและในที่สุดควายตัวหนึ่งพุ่งชนร่างเสือกระเด็นลอยสูงไปตกบนหลังคากระท่อมจากนั้น มันก็กรโจนหายไปอย่างไม่รู้ทิศทางและไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหนควายสองตัวเดินสะบัดหัวสะบัดหางเฉียดกับเกวียนสองตายายแล้วร่างของควายทั้งสองก็หายวับไปจากสายตาที่จ้องมองอย่างใจจดใจจ่อรุง่งเช้าพวกชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่ได้พากันดีใจไดเตรียมอาหารคาวหวาน ไปทําบุญเพราะเรื่องร้ายๆได้มาลายหายไปแล้วชาวบ้านไม่ลืมที่จะไปชวนสองตายายไปใส่บาตรด้วยกันและพวกชาวบ้านก็ได้พากันตะลึงอาปากค้างก้าวขาไม่ออกเพราะภาพที่เห็นที่หน้ากุฏิร่างของหลวงตานอนหายใจระรวยตามตัวมีบาดแผลจากการไหลแห่ง เลือดสดๆไหลโกลกออกมาจากบาดแผลตามร่างกายชุ่มโชกไปด้วยเลือดจมูกและปากก็มีเลือดไหลอะไรหรือนั่นที่ทนล่างตั้งแต่ท่อนเอวลงไปเป็นร่างของเสือหลายพลาดกรดเหลืองดำหางสันนฤรธิกแสดงว่าใกล้จะสิ้นใจเต็มทนแล้ว สายตาของหลวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยเหมือนจะบอกว่ามีใครบ้างอยากจะตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ทุกอย่างเป็นกฎของกรรมโดยแท้พอเป็นพระแทนที่จะเจริญศีลภาวนากับมุงรำเรียนแต่ด้รารชานวิชาผลจึงออกมาเป็นเช่นนี้และเรื่องราวทั้งหมด